เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่19มิถุนายนพุทธศักราช2553สาเป็นวันพระวันธรรมสวนาวันฟังธรรมวันที่พระบรมศาสดา ทู้ส่งพระคุณอันประเสริจแก่สัตว์โลกทั้งหลายได้ทรงบัญญัติให้ผู้มีจิตศรัทธาในพระธรรมคำสอนได้ปล่อยวางภารกิจการงานทางโลกเพื่อมาเจริญภารกิจทางศาสนาเพื่อเป็นการดูแลรักษา พัฒนาจิตใจให้เจริญก้าวหน้าเพราะใจเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์ทรงตรัสว่าใจเป็นประธานใจเป็นใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นที่ใจไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนารกก็ดีสวรรค์ก็ดีการเวียนว่าตายเกิด ก, การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดคือมรรคผลนิพพานก็อยู่ที่ใจทั้งสิ้นไม่ได้อยู่ที่ใดอยู่ในใจดังที่เราเคยได้ยินเสมอว่านารกอยู่ในอกสวรรค์อยู่ในใจสวรรค์หรือนรกหรือพระนิพพานหรือภพชาติแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนั้นอยู่ในใจ ใจเป็นผู้สร้างขึ้นมาแล้วใจก็เป็นผู้รับสิ่งที่ตนเองสร้างขึ้นมาใจสร้างความสุขใจก็เป็นสวรรค์ใจสร้างความทุกข์ใจก็เป็นนรกใจสร้างความโลภความโกรธความหลงใจก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดในพบน้อยภพใหญ่ใจตัดความโลภความโกรธความหลงได้หมดสิ้นไป ใจก็เป็นพระนิพพานใจนี่แลเป็นที่รองรับตายพบหรือวัฏจักรหรือการสิ้นสุดของวัฏจักรอยู่ในใจดวงนี้ดวงเดีย ว, เ, ย ว, เ, ยวเท่านั้นไม่ได้เป็นสถานที่อย่างที่เรารู้จักกันเช่นกรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตเหล่านั้นเป็นสถานที่แต่นรกสวรรค์ นับผลนิพพานการเวียนว่ายตายเกิดนั้นไม่ได้เป็นสถานที่แต่เป็นสภาพของจัดจิตใจใจคิดดีใจก็เป็นสวรรค์ใจคิดร้ายใจก็เป็นนรกอยู่ที่ใจนี้เองพระพุทธเจ้าตัดสรุปก็ไม่ได้ตัดสรุปที่ไหนตัดสรุปที่พระทัยของพระพุทธเจ้าตัดสรุปด้วยการ ศึกษาเจริญปัญญาจนเห็นความจริงของใจว่าใจนี่แลเป็นวัตจักเป็นวัตจิตใจนี่แลเป็นผู้เวียนว่ายตายเกิดในพบน้อยพบใหญ่โดยการไปไขว่คว้าเอาสิ่งต่างๆมาเป็นสมบัติของตนเช่นไปไขว่คว้าเอาร่างกายของมนุษย์ ของเดรัจฉานมาเป็นสมบัติแล้วก็เลยกลายเป็นมนุษย์กลายเป็นเดรัจฉานไปกามจริงใจไม่ได้เป็นมนุษย์ไม่ได้เป็นเดรัจฉานคือไม่ได้เป็นร่างกายของมนุษย์ไม่ได้เป็นร่างกายของเดรัจฉานแต่ใจมคีคุณสมบัติของมนุษย์นึอของเดรัจฉานถ้ามีศีลห้าก็มีคุณสมบัติของมนุษย์ ก็จะได้เกิดเป็นมนุษย์ถ้ามีทานมีการให้ทานมีรักษาสีก็จะเป็นเทศ mm hmm. ถ้ามีการให้ทานรักษาสีแล้วนั่งสมาธิก็จะเป็นพรห mm hmm. ถ้ามีการเจริญวิปัสสนาเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราขันห้าไม่ใช่ตัวเราของเรา เวทนาสัญญาสังขาร ญ, ญาณความรู้สึกนึกคิดต่างๆภายในใจไม่ใช่ใจเป็นอาการของใจที่เกิดแล้วดับถ้ารู้ทนันและปล่อยวางได้ใจก็จะไม่ไปเกิดไม่ไปไขว่คว้าหาสิ่งต่างๆมาเป็นสมบัติไม่ไปไขว่คว้าการเป็นเวราาัจฉาน หรือการเป็นนรกใจก็จะหยุดนิ่งใจก็จะยุดติดการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้ามีปัญญาอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงมีทรงเห็นว่าผู้ที่เวียนว่ายตายเกิดก็คือใจนี้และปัจจัยที่ทําให้ใจไปเวียนว่ายตายเกิดก็คือความโลภ ค, ความโกรธความหลงความอยากต่างๆ ความอยากในการอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะความอยากมีอยากเป็นอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากมีเงินมีทองอยากจะร่ำรวยและความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเช่นอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่จนความอยากเหล่านี้เป็นความโลภ ที่จะทำให้เกิดความโกรตามมาและจะทำให้มีพพชาติตามมาถ้ามีความโลคมากจนไม่สามารถยับยั้งได้ไม่สามารถรักษาสีลได้ก็จะไปสร้างอารมณ์ขึ้นมาภายในใจถ้ามีความโลคแต่ยังพอมีกำลังที่จะยับยัง้งไม่ให้ไปทำสิ่ผิดสีลได้ อย่างวันนี้ญาติโยมก็มาถือศีลห้าต่าจะไม่โลคเกินขอบเขตของศีลห้าวันนี้จะไม่ดื่มสุราวันนี้จะไม่ไปลักทรัพย์จะไม่ไปโกหกหลอกลวงจะไม่ไปประพฤติผิดประเวณีจะไม่ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตถึงแม้จะมีความโลคความอยากได้แต่ก็จะทําอยู่ในกรอบของศีลห้า อย่างนี้ก็จะรักษาความเป็นมนุษย์ได้แล้วยังมีใจที่เพื่อเฟือเผื่อแผมาทำบุญให้การเอาข้าวของมาให้ผู้ที่เดือดร้อนผู้ที่มีน้อยก่าเราก็จะทำให้ใจของเราเป็นเทศขึ้นมาเป็นเทศทั้งๆ ท, ท, ที่ยังมีร่างกายมีอยู่ดังที่เขาพูดได้ว่ากายเป็นกลายเป็นมนุษย์ แต่ใจนี้เป็นได้หลายอย่างเป็นเทพก็ได้เป็นพรมก็ได้เป็นพระอริยเจ้าก็ได้เป็นเปรตก็ได้เป็นนรกก็ได้เป็นเวราฉานก็ได้อยู่ที่ใจว่าใจคิดดีหรือคิดไม่ดีใจคิดดีก็จะเป็นเทพเป็นพรมเป็นพระอริยเจ้าของมนุษย์ ถ้าคิดไม่ดีก็จะเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นผีเป็นนรกเนะช่นคิดฆ่าสัต์ตัดชีวิตคิดประพฤติผิดประเวณีคิดลักทรัพย์คิดโกหกหลอกลวงอย่างนี้ใจก็จะเป็นเปรตบ้างเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นนรกบ้างแต่ถ้าใจไม่คิดที่จะทําบาปทํากรรมใจก็จะเป็นมนุษย์ เป็นเทศเป็นโครทำบุญให้ทานรักษาศีลก็เป็นเทศทำบุญให้ทานรักษาศีลนั่งสมาธิก็เป็นโพรอย่างครูของพระพุทธเจ้าสององค์อาจารย์สององค์ที่พระพุทธเจ้าทรงไปศึกษาท่านทำบุญท่านสละเงินทองสมบัติเท่าของต่างๆจนหมดสิ้นแล้วก็ออกบวช รักษาศีลไม่เบียดเบียนผู้แล้วก็นั่งสมาธิจนได้ฌานก็เลยได้เป็นโขงแต่ยังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าเพราะไม่รู้จักทางของพระอริยเจ้าไม่รู้คุณสมบัติของพระอริยเจ้าว่าจะต้องมีอะไรเพิ่มเติมจนกว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาตอบสรุป คุณธรรมคุณสมบัติของพระอริยเจ้ามีก็คือต้องมีปัญญาต้องมีดวงตาเห็นธรรมคือมองเห็นไฟลัคมองเห็นอนิจจรความไม่เที่ยงมองเห็นทุกขังความเป็นทุกข์และมองเห็นอนัตตาความไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเป็นเราของเราทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไฟลัมด มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่จะสามารถเห็นได้ด้วยพระองค์เองไม่มีใครจะสอนพระองค์ได้เพราะไม่มีใครรู้นั่นเองพระพุทธเจ้าทรงไปศึกษากับพระอาจารย์อยู่สองรูปท่านก็สอนได้เพียงการเข้าฌานเข้ารูปฌานและเข้าอารูปฌานได้เป็นคน ได้เป็นรูปประภมและอรูปประภมแต่ไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าไม่ได้เป็นพระสดาบัพระสกิดาคามีพระอนาคามีหรือพระอาราหันต์เพราะไม่มีใครรู้นั่นเองพระพุทธเจ้าจึงต้องปลีกตัวออกจากอาจารย์สององค์เพื่อไปแสวงหาความจริงโดยตาหลมพัง ทรงศึกษาทรงพิจารณาพิจารณาเห็นสิ่งต่างๆว่ามีไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้แน่นอนมีเกิดแล้วก็มีดับมีเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจากสาวก็เป็นแก่จากเด็กก็เป็นผู้ใหญ่แล้วก็ในที่สุดก็กลายเป็นซากศพไปจากซากศพก็กลายเป็นดินน้ำลมไฟไป พองจึงทรงเห็นว่าอ๋อมันไม่เที่ยง ม, มันเป็นทุกข์ถ้าไปยึดไปติดเพราะถ้าไปยึดไปติดในสิ่งที่ไม่ทุกพอเขาเปลี่ยนไปเราก็จะเสียใจเราก็จะทุมขึ้นมาทันทีเช่นเราไปยึดติดกับร่างกายของเราพอเรามีร่างกายเราก็ไปหลงคิดว่าเป็นตัวเราของเราพอเป็นตัวเราก็อยากจะให้อยู่กับเราไปตลอด แต่ร่างกายมันไม่เชื่อฟังเราร่างกายมันต้องไปเหมือนฝนนี่แหละฝนมันจะมามันก็มาเวลามันจะไปมันก็ไปมันเวลามันจะหยุดมันก็หยุดร่างกายนี้เวลาเกิดมันก็ไม่มีใครไปห้ามมันได้เวลามันตายก็ไม่มีใครไปยับยั้งมันได้นี่คือความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ ที่พระพุทธเจ้าทรงศึกษาทรงเห็นว่ามันไม่เที่ยงและทรงเห็นว่ามันไม่ใช่เป็นตัวตนไม่ใช่เป็นสมบัติของใครทั้งสิน้นเป็นเหมือนฝนนี่แหละไม่มีใครเป็นเจ้าของฝนนี้ก็คือธาตุน้านี่ส่วนร่างกายก็เป็นธาตุน้ำธาตุาดินธาตุลมธาตุไฟซึ่งก็เป็นเหมือนกับธาตุน้ำไม่มีใครเป็นเจ้าของได้ เป็นของดินน้ำลมไฟเนี่ยทรงพิจารณาจนเข้าใจก็เลยปล่อยวางไม่ยึดไม่ติดบังคับให้เขาเป็นไปตามความต้องการไม่ได้พอปล่อยวางได้ทกุก็ไม่มีภายในใจไม่มีความดับทุกข์เพราะได้ตัดความอยากทั้งสิ้นหมดไปไม่อยากจะได้อะไรเพราะการอยากได้เป็นการสร้างความทุกข์นั่นเอง พอไม่มีความอยากจิตก็ไม่มีการหมุนจิตก็ไม่ตรงแต่งเพื่อที่จะไปเกิดใหม่ก็จะไม่มีภพชาติตามมาพระพุทธเจ้าก็เลยได้บรรลุเป็นพระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาด้วยการเจริญไตรลักษณ์นี้เองเจริญวิปัสสนาอานิจจทุกขังอนัตตามีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่มีปัญญา ที่สามารถพิจารณาไตรลักษได้โดยไม่มีใครสั่งสอนแต่ผู้อื่นสัตว์โลกอื่นไม่มีใครสามารถที่จะศึกษาและพิจารณาจนเกิดความเข้าใจและปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นแต่หลังจากที่พระองค์ทรงรู้แล้วพร น, นำมาสั่งสอนผู้อื่น ผู้ก็สามารถพิจารณาตามได้ทันทีพอเห็นว่าไม่เที่ยงเห็นว่าไม่ใช่เป็นเราเป็นของเราเห็นว่าเป็นทุกข์ถ้าไปยึดไปกิดก็จะปล่อยอาวางได้ทันทีตัดได้ทันทีไม่ยึดติดในร่างกายไม่ยึดติดในสมบัติข้าวของเงินทองไม่ยึดติดในลาบยึ ส, ะะสรรสญสุกพอไม่มีความยึดติดก็ไม่มีความอยาก พอไม่มีความอยากก็ไม่มีความทุกข์ไม่มีพพชาติตามมาก็กลายเป็นพระอาหารหันตสาวกขึ้นมากายเป็นสาวกนี้จึงง่ายกว่าการเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนฟ้ากับดินพระพุทธเจ้านี้ต้องบำเพ็ญบุญบา ร, รมีมาเป็นกับเป็นกันกว่าจะได้มาเป็นพระพุทธเจ้าส่วนพระอาหารหันตสาวกนี้บำเพ็ญบุญบา ร, รมีมา พอสมควรพอได้พบกับพระพุทธเจ้าก็สามารถเรียนรับได้เลยรับขั้นตอนได้ไม่ต้องดําเนินเหมือนพระพุทธเจ้าพอได้ยินคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนํามาปฏิบัติได้ก็หลุดพ้นได้ ท, ทันทีถึงพระนิพพานได้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าพระนิพพานของพระพุทธเจ้ากับของพระสาวกไม่ต่างกัน เพเป็นใจเหมือนกันเป็นใจที่ดับที่สิ้นติเลตเหมือนกันเป็นใจที่ไม่มีภกชาตินี่เป็นเหมือนกันต่างกันตรงที่ความสามารถของใจดอง น, นั้นที่จะมีปัญญาสอนตนเองและสอนผู้อื่นพระพุทธเจ้ามีปัญญามากกว่าสาวกพระพุทธเจ้าจึงดัดสรตวเป็นพระพุทธเจ้าได้ด้วยตนเอง แต่สาวกมีปัญญาไม่มากเท่าพระพุทธเจ้าจึงไม่สามารถตัดสรุปบรรลุถึงพระนิพพานได้ด้วยตนเองด้วยลำพังของตนเองแต่มีปัญญามากพอที่จะรับคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำมาเจริญและปฏิบัติจนบรรลุถึงพระนิพพานได้นี่คือความแตกต่างกันระหว่างพระสาวก กับพระพุทธเจ้าแต่ต่างกันที่ปัญญาบารานีพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญปัญญาบารานีมามากกว่าผู้อื่นจึงมีความสามารถที่จะมีดวงตาเห็นธรรมเห็นความจริงคือเห็นใจรักนี้เห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาถ้าใครก็ตามถ้าเห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาแล้วจะ ไม่ต้องไปเกิดอต่อไปจะไม่ยึดติดจะไม่อยากจะได้อะไรจะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้จะมีความสุขเต็มอยู่ในหัวใจไม่มีความต้องการอะไรเพร้อมใจที่ปล่อยวางได้นี้เป็นใจที่อิ่งตลอดเวลานี่คือความความประเสริฐของพรอพิทัเจ้าที่ทรงรู้ ใจรับด้วยพระองค์เองรู้อนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยตนเองเมื่อรู้แล้วก็ทำให้ใจของพระองค์หลุดพน้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะไม่มีความอยากถ้ายังมีความอยากอยู่ก็ยังจะต้องไปเกิดใหม่เพราะความอยากนี้จะทำให้ใจอยู่นิ่งไม่ได้อยู่เฉยเฉยไม่ได้อย่างญาอยูยยังอยู่เฉยเฉยไม่ได้อยู่บ้านเฉยเฉยไม่ได้ เดี๋ยวต้องออกไปหาหนู่นหานี่ต้องไปดูนั่นดูนี่ต้องไปฟังนู่นฟังนี่ต้องยังหิวกับการมาลดอยู่ยังอยากดูยังอยากฟังยังอยากเสบรูปเสียงจิ่นลดต่างๆอยูถ้าไม่ตัดก็จะไม่หยุดจะต้องเวียนว่ายตายเกิดในกามาพบกามาพบก็คือที่เกิดของใจที่มีความอยากในการนี้เอง อยากในรูปศสียงเปลี่นลดโทสะแต่ถ้าตัดความอยากในการมาลดได้ก็จะไม่กลับมาเกิดในการมาพบไม่ต้องมาเป็นเดรัจฉานไม่ต้องมาเป็นมนุษย์แต่จะเกิดเป็นพรหมไม่ต้องเป็นเทพเทพก็ดีมนุษย์ก็ดีเปรกก็ดีเดรัจฉานก็ดีเหล่านี้เป็นสัตว์ที่ยังมีกามาตัณหา ยังมีความอยากในการอยู่ถ้าทำบาปก็จะไปเกิดเป็นเปรตเป็นเวลฉานไปตกนรกถ้าไม่ทำบาปแต่ยังมีการมาตัญหาอยู่ก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์กลับมาเกิดเป็นเทพแต่ถ้าไม่มีการมาตัญหาเช่นนักบวชที่ตัดการมาตัญหาได้นั่งสมาธิได้หาความสุขจากความสงบของใจได้ก็จะเป็นพรหม มีสมาธิมีฌานเช่นพระอาจารย์ของพระพุทธเจ้าสององค์หลังจากที่ตายไปแล้วท่านก็ไปเกิดเป็นโภคทัน ท, ทีแต่ท่านยังไม่ไปถึงพระนิพพานเพราะท่านไม่มีปัญญาไม่ได้มีดวงตาเห็นธรรมที่จะเห็นใจรักเห็นอนิจจังทุกขังอนนตาจนปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้และตัดความอย่าง ทุกสิ่งทุกอย่างได้ท่านยังมีภาวะการหายังมีวิภาวะคัญหาอยู่ยังอยากมีอยากเป็นอยู่เพียงแต่ว่าท่านไม่มีกามะกัรหาท่านไม่หิวกับรูปเสียงกลิ่นรสไม่อยากกับรูปเสียงกลิ่นรสแต่ยังอยากเป็นใหญ่เป็นโตยังอยากไม่แก่ยังอยากไม่เจ็บยังอยากไม่ตายอยู่ท่านจึงต้องไปเกิดเป็นคนและเมื่อ มบนบุษยของธรมแล้วถึงจะค่อยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาบำเพ็ญหมาถ้ากลับมาแล้วได้เจอพระพุทธเจ้าหรือได้เจอคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะสามารถบรรลุเป็นภาษาวนได้ ท, ทันทีแต่ถ้าไม่เจอพระพุทธเจ้าเป็นการเสียโอกาสไปอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าน่าเสียดายเป็นอย่างมาก พราะตอนที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เสร็จแล้วก็ทรงนึกถึงพระอาจารย์สองรูปนี้อยากจะไปโปรดอยากจะไปสอนให้ท่านได้บรรลุปเป็นพระอาหารหันต์แต่ท่านได้ตายไปก่อนท่านได้ตายไปจึงไม่สามารถติดต่อกันได้เพราะใจของท่านอยู่ในสวรรค์ชั้นคมที่ไม่จะมีใครสามารถเข้าไปติดต่อได้ ถ้าอยู่ในสวรรค์ชั้นเทพนี้ยังพอติดต่อกันได้เช่นพุทธมารดาพระพุทธเจ้าสามารถติดต่อและทรงสามารถสั่งสอนธรรมะให้แก่พุทธมารดาจนได้บรรลุเป็นพระอริย์ขั้นแรกคือเป็นพระโสดาบันนาแต่พระอาจารย์สองรูปนี้ท่านเข้าไปอยู่ในชานท่านอยู่ในสวรรค์ชั้นพรหม ถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือก็เป็นเหมือนกับท่านปิดเครื่องไว้ไม่เปิดเครื่องไม่สามารถโทรติดต่อกันได้ก็เลยเป็นการที่น่าเสียดายอย่างยิ่งเพราะไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานไดจากการสั่งสอนของพ่อพระพุทธเจ้าเพราะกว่าท่านจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่คำสอนของพ่อพระพุทธเจ้า ที่มีอายุเพียง 5,000 ปีนี้ก็จะหมดไปก็จะกลับมาเหมือนกับในสมัยที่ไม่มีพระพุทธเจ้าก็จะไม่รู้ว่าวิธีการปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนั้นเป็นอย่างไรก็อาจจะปฏิบัติได้เพียงแค่สมาธิแค่ฌานขั้นต่างๆ แล้วก็เวลาตายไปก็ไปเกิดเป็นพรมหมเท่านั้นจะยังต้องเรียนว่าตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้พบคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือจนกว่าตนเองจะมีปัญญาบรารมีมากพอที่จะมองเห็นใจรักได้ด้วยตนเองเท่านั้นถ้าเห็นใจรักแล้วก็จะตัดความอยากได้ ตัดการเวียนว่ายตายเกิดได้ใจที่ตัดความอยากได้ก็เป็นพระนิพพานนี้เองทั้งหมดนี้อยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่สถานที่ไม่มีสถานที่ถ้าจะนั่งเรือบินไปรอบโลกหรือจะนั่งจรวดออกไปนอกโลกเพื่อหานรกหาสวรรค์หามรรคผลนิพพานหาวัตจักก็จะไม่มีทางพบ หรือจะเด่งลงไปในทะเลเจาะลึกลงไปในโลกนี้ก็จะไม่มีนรกไม่มีสวรรค์อยู่ตามสถานที่เหล่านั้นเพราะมันอยู่ที่ใจเท่านั้นและเกิดจากการสร้างของใจคือความคิดของใจนีแหลความคิดและความเห็นของใจเป็นตัวสร้างนารกเป็นตัวสร้างสวรรค์ ถ้ามีความเห็นที่ถูกต้องมีสัมมาทิฏฐิก็จะคิดดีก็จะสร้างสวรรค์ขึ้นมาคิดดีพูดดีทำดีอย่างยากยุยมมานี้มีสัมมาทิฏฐิเชื่อบุญเชื่อบาปเชื่อนรกเชื่อสวรรค์เชื่อมรรคผลนิพพานจึงคิดดีตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนคิดดีพูดดีทำดีถ้าทำไปเรื่อยๆก็จะ ไปถึงพระนิพพานได้สักวันถ้ายังไม่ถึงก็อย่างน้อยก็ได้เป็นมนุษย์ได้เป็นเทพได้เป็นพรมไม่ต้องไปเป็นเดือดหาราไม่ต้องไปเป็นเปรตไม่ต้องไปตกนรกถ้ามีมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักเป็นดอกบัวไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องเวียนว่ายตายเกิดเรื่องกรรม เลือกมักผลผนิพพานก็จะคิดร้ายพูดร้ายทำร้ายวันนี้แทนที่จะมาวัดก็จะไปกินเหล้าเมายาไปยิงนกตกกลาไปเข้าบ่อนการพนันไปปฏิไปเสกกรรมไปกรรมคือผิดศีลข้อการเมองอย่างนี้ก็จะต้องได้รับผลคือใจก็จะทุกร้อนขึ้นมา ใจก็จะเป็นบาปใจก็จะเป็นนรกขึ้นมาอยู่ตรงนี้ไม่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของเราเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปหาสวรรค์หานรกที่อื่นไม่ต้องไปหามรรคผลนผิพพานที่อื่นไม่ต้องไปหาการเวียนว่ายตายเกิดที่อื่นหาที่ใจตรงนี้แหละถ้าใจยังมีโลกกดหนงอยู่ก็แสดงว่ายังต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่ ถ้ามีใจคิดร้ายคิดทำบาปอยู่ mm hmm. ก็จะต้องไปอบายอย่างแน่นอนแต่ถ้าไม่มีความคิดที่จะคิดทำบาปทำการแต่ยังมีความโลภอยู่ก็ยังจะไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทพเป็นพรหมอยู่แต่ถ้ามีใตรลักษณ์เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจงทุกขังอนัตตาเป็นสิ่งที่ไม่ควรยึดติดไม่ควรเกี่ยวข้อง เป็นเหมือนระเบิดมีใครอยากจะเข้าใกล้ลูกระเบิดบ้างหรือเป็นเหมือนงูพิษมีใครอยากจะเข้าใกล้งูพิษบ้างขอให้เรามองทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเป็นร่างกายของเราก็ดีของผู้อื่นก็ดีเป็นสมบัติเข้าของเงินทองก็ดีเป็นลาบยศเสริญสุขก็ดีสิ่งต่างๆ น, นี้ล้วนเป็นไตรลักษณ์ทั้งนั้นเป็นลูกระเบิดเป็นงูพิษ อย่าไปเข้าใกล้ถ้าไม่อยากจะเจ็บตัวพอเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวเหล่านี้แล้วใจของเราก็ทุกข์อย่างที่พวกเราทุกมกันกินไม่ได้นอนไม่หลับห่วงหน้าห่วงหลังเสียดายนุ๊กแล้วก็เสียใจเวลาที่จะต้องสูญเสียสิ่งต่างๆที่เราไปไขว่คว้าหามาเป็นสมบัติเพราะเขาไม่อยู่กับเราไปตลอดเขาไม่เที่ยง เขาจึงทำให้เราเป็นทุกข์เพราะเขาไม่ใช่เป็นสมบัติของเราไม่ใช่ตัวเราเราไปหลงยึดติดเองว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเราก็ต้องมาทุกข์ทรมานใจทุกวันนี้เรากลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายกันแต่เราไม่รู้ว่าสิ่งที่แก่ที่เจ็บที่ตายคือร่างกายนี้เขาไม่ได้กลัวเลยเขาไม่หวั่นไหวกับความแก่ความเจ็บความตายเลย ทั้งๆ ท, ที่เขาเองนี่แหละเป็นผู้ที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่เราต่างหากใจเรานี่ไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายกลับไปกลัวแทนร่างกายทำไมก็เพราะเราไม่มีัจรักนี้เองไม่มีดวงตาเห็นธรรมไม่มีปัญญาไม่เห็นตัยรักเหมือนที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นอย่างนั้นขอให้เราพยายามสอนใจให้เราเห็นใยรักให้เราเห็น ว่าไม่มีอะไรไม่เทียทนนเท่ยงแท้แน่นอนไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนไม่มีอะไรเป็นตัวเราของเราไม่มีอะไรเป็นความสุขมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นอย่าไปอยากได้อย่าไปอยากมีอย่าไปอยากเสพอยากไปสัมผัสให้อยู่แบบพระพุทธเจ้าอยู่แบบพระอริยสงสาวงทั้งหลายท่านอยู่แบบไม่มีอะไร แต่ท่านมีธรรมะมีความสงบมีความสุขที่เกิดจากความสงบที่เป็นความสุขเหนือความสุขทางปวงความมีความสุขแบบนี้แล้วอยู่ได้ไม่มีอะไรก็อยู่ได้แต่ถ้าไม่มีความสุขแบบนี้แล้วก็ยังจะต้องตะเกียบตะกายหาความสุขทางตาหูจมูกบิ้นกายต่อไปดังนั้นเราต้องพยายามตัดให้ได้ ด้วยการปฏิบัติตามคำสอนคือให้ทาบุญให้ทานมากๆรักษาศีลให้บริสุทธิ์เจริญสมาธิเจริญปัญญาให้มากแล้วต่อไปความอยากความหิวต่ตางๆจะเบาบางลงไปและหมดไปได้ในที่สุดนี่คือการรักษาใจของเราเป็นการพัฒนาใจเป็นการสร้างสวรรค์สร้างมรรคผลนิพพาน ให้แก่ใจของเราด้วยการมาวัดในวันพระอย่างสม่ำเสมออย่าลดละอย่าท้อถอยอย่าท้อแท้ขอให้มีความแน่วแน่มีความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพ่อปิตาจ่าแล้วปฏิบัติตามถึงแม้ผลจะเกิดบ้างไม่เกิดบ้างก็ขอให้มีขันติความอดทนขอให้มีความภาคเพียรให้มาก รับรองได้ว่าสักวันหนึ่งก็จะได้ลิ้มรสพระธรรมอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้ลิ้มรสอย่างแน่นอนการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัตนไกรและบุญผุณสมที่ท่านได้มาดำเพลินกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัย